ถามรู้สึกว่าสวรรค์เป็นอะไรที่ดีแบบเกินๆทุกอย่างสวยหมดอลังการหมดสงสัยว่าจริงๆแล้วไม่มีนางฟ้าขี้เหร่หรือเทวดาหน้าหักบ้างหรือครับตอบก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าสวรรค์เป็นสิ่งที่เหนือโลกไม่ใช่เกิดขึ้นเองลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยสวรรค์ถูกสร้างขึ้นด้วยบุญรองรับกุศ ล, ลจิตที่ประกอบด้วยมหาสมนัต คุณลองนึกถึงตัวเองตอนกำลังคิดช่วยคนหรือกำลังใส่บาตรด้วยความเปลื้มปีติสำรวจใจตัวเองว่าขณะนั้นสงบไหมสบายไหมถ้าเอากระจกให้ส่องหน้าคุณคิดว่าตัวเองจะดูดีขึ้นไหมนั่นแหละครับการสร้างสวรรค์ของจิตที่สว่างย่อมให้แต่อะไรที่สว่างกระจ่างชัดไม่มีเหลี่ยมมุมบิดเบี้ยวสภาพทั้งหลายบนสวรรค์ก็เช่นนั้นเอง ที่คุณรู้สึกว่าสวารรค์เป็นอะไรที่เกินจริงนั่นเพราะคุณเอาสวารรค์มาเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์ที่คุณนึกว่าเป็นความจริงเดียวในจักรวาลขอให้ลองนึกในอีกมุมหนึง่งหากหมดปลวกคุยกันได้และมีตัวใดตัวหนึง่งอ้างว่าฝันเห็นโลกมนุษย์เห็นคนมีเสื้อผ้าใสเห็นบ้านเรือนพิศดารเห็นคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตและอีกมากมายมดด้วยกันคงหาว่าเพี้ยน พูดอะไรเกินจริงไม่มีทางเป็นไปได้หากก่อนตายจิตไม่เป็นกุศลพอธรรมชาติของกรรมประมวลแล้วว่าไม่ไปถึงสวรรค์ก็จะไม่ทันได้เห็นสวรรค์หรอกครับต้องเกิดในภูมิที่ต่ํากว่าชั้นฟ้าโ น, น่นคุณไม่มีทางตั้นดินให้เป็นดาวชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณไม่มีทางสร้างเทวดาด้วยบาปหรือแม้กระทั่งบุญที่น้อยไปขอให้เพียรทําทานอย่างต่อเนื่องด้วยน้ําจิตอนุเคราะห์ และขอให้รักษาศีลจนสะอาดพิสุทธิ์เป็นนิดเถิดสำรวจเข้ามาที่ใจตนเองและคุณจะไม่กังขาเลยเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นวิบากอันร้ายที่ติต้องรออยู่ในอนาคตแน่นอน